มีเสียงไหมฮอ่าอ่าก็เหมือนเดิมรลองตาก็มันค่อยจะมีเสียงมันใบไม่กลับแล้วหู ก็ไปไม่กลับเสียงก็ไปไม่กลับแต่ยังมีอันที่จะต้องงื่นอนคงอยู่คือตาว่าที่ไม่เป็นอะไรกกับอะไรยังมีอยู่ไม่ไปไหนอยากจะบอกเรื่องนี้ต่อพวกเรานี่มันเป็นวัด พระสองฆ์อยู่นับป่วอยู่ที่นี่กินข้าวชาวบ้านหอมพี่วอนชาวบ้านญาบ้านทำที่อยู่ให้เก็บไข้เรี่ยป่วยก็พอจะดูแลรักษาเยี่ยวยาได้บ้างชีวิตของเราคนนั้นด้วยผู้อื่นเราจะจอยู่ยางไง จึงจะไม่เป็นบาปน่าจะว่าอยู่ไม่ดีเหมืนอนยาคาที่ทำไม่ดีย่อมบาดมือนักวดนมาทำไม่ดีก็ย่อมฉุดไปสู่นรกได้ได้จะทำ ย, ยังไงยังศึกษามินทุละคันธาธทุละ ศึกษาทำแบบตำลาสู่ต่างๆเอามาสาธยากเอามาสวดธรรวัเช้าทําวัดเย็นวิปั จ, จนาธุละทำให้มันมีขึ้นจะทำไงจะมีสติไม่ตายเวลาไม่หลงในเวลาตายสุดท้ายคือสติ ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่เจ็บว่ายังหลงอยู่จะทำอย่างไรพวกเราถ้าไม่ฝึนขัดก็ไม่เป็นต้องฝึนขัดว่าหลงมันไม่จริงใครก็รู้โกรธไม่จริงใครก็รู้ทุกข์ก็ไม่จริงใครก็รู้แต่ไม่โกรธก็จริงปีใครทําะไรบ้าง ไม่หลงไม่จริงแ้วไม่หลงมันจริงอยู่มีใครทําได้ว่าพวัวทุกข์ไม่จริงแต่ใครทําให้ไม่ทุกข์ได้บ้างตั้งที่ไม่จริงอ่ะเราจะยอมรับอยู่อย่างนั้นหรือนี่เป็นงานของพวกเราปฏิเสธไม่ได้ตอนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการบวชการไม่บวช แต่โอกาสบวชนี้มีโอกาสศึกษาเป็นแนวหน้าควรจะศึกษาให้ลูกไปบอกชาวบ้านที่อยู่เบื้องหลังของเราถ้าเราหลงอยู่วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องหลงเดือนหน้าก็ต้องหลงวีหน้าก็หลงชาติหน้าก็หลงนั่นไม่ใช่แล้วเล็กน้อย ด้าหลงกไปไกลไปสู่บายต่ำลงไปเหมือนน้มที่ไหลาจากที่สูงสู่ที่ต่ำชีวิตของเราเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ถอหไม่ายชีวิตของเราถ้าเราลู้วันนี้ก็เป็นการแก้ไขอดีตนั้นที่ผิดพลาดมา การแช่ไข่ในอดีตได้รารู้วันนี้เป็นการป้องกันในอนาคตอาจจะไม่หลงในวันพวกนี้นี่เป็นงานของพวกเราทุกชีวิตปฏิเสธไม่ได้แล้วก็จะทำงานเวลามันหลงก็เปลี่ยนหลงเป็นลูกไปเรื่อยๆไปอย่าให้มัน ศูนย์เปล่าได้ประโยชน์จากความหลงเอาความหลงไปความไม่หลงเอาประโยชน์จากมันเหตุมันมีอย่างนี้ผลมาต้องมีอยู่นี้เตียนความหลงไปความไม่หลงมันทำได้ทุกชีวิตเราจะปล่อยไปอย่างนั้นเลย ประมาดอย่างนี้ก็ไม่ได้นิดหน่อยแต่ก็เมื่อมากขึ้นก็มากขึ้นามันน้ำหลักไหลาจากที่เสวงสูส่ที่ตามเพียงหยดเดียวหยดเดียว ม, ม, ม, ม, มันก็เต็มตุ่มเต็มวงได้อันคงไม่ดีเมื่อมันมีอยู่บ่อยก็อาจจะมากขึ้นเมื่อมากขึ้นแล้วก็เมื่อืดมวลไม่รู้จกพอจะในความทุกข์พอจะในความหลงพอจะในความโกรธได้ เราไว้ต้องจำนวนเสมอไปเราทำได้กาเปลี่ยนหลงเป็นลูกไม่หนักหนาสาหอ์อันตรายแต่ก็ไปไกลนะถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้ก็ไปทางต่ำถ้าหลงเป็นหลงไปแล้วไปอีกแล้วหลงอีกก็ไปหลงอีกก็ไปกันแล้ว หลงเขาใดเขาหลงหวมหลงเป็นกลมหลงอยู่เช่นนั้นมันไกวกาไม่หลงเลยไปเตี้ยก็อยู่ใกล้ๆ ก, กันเหมือนทางสี่แพ่งสามแพ่งมันก็กเก้าวแรกที่มันแยกไปคนละทาง แต่ก้าวต่อไปน้องก็ไปไกลไปไกลไปสู่หยุดหมายปลายทางคนละ ท, ที่ละทางไปไปสูอ่อบายถ้าหลงเป็นลูกก็ก้าวไปอีกทางหนึ่งไปสู่สุคติไม่ใคยไปอบายอย่างก้าวเล็กแต่น้อยเรามีกรรมฐานนี่เป็นก้าวอาศัายกรรมคือการทำให้รู้สึกตัว หายใจเข้าหายใจออกมันก็พอดีกับระยะเวลาลู่ลู้ว่าจํามากลู่มันทับล่าอย่างนี้หรูปแบบกรมฐานเช่นสติปัฏฐานในสูตรกู้ฉขนเข้าลู้เหยียดแขนออกลู้กู้ฉนเข้าลูอเหยียดแขนออกลู้มันก็พอดีมันก็เขียบไม่ไาทีมันกระโดดตตะ เ็ก็ไปไปวินาทีหนึ่งก็ไปแล้วห้าวินาทีถ้าลู่หา้าครั้งก็ไปห้าวินาทีถ้าลู่จนหลอยวินาทีก็เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้แล้ว เ, เปลี่ยนหลงเป็นลู่ก็มากลูก่ได้เช่นกัน ถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไปอีกทางหนึ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนมนุษย์ถ้าหลงเป็นหลงเป็นคนโปนเปไม่เป็นชิ้นเป็นอันโปลมาไปหมดหรือเป่าคนเอามาโปลกันสุขก็ทุกทุกสุปสุขทุกหลงรู้อะไรต่างๆพอใจไม่พอใจโผล่เงินไปนั่นหรือเป่าคน แม่ลั่วอะไรคือเราอาศัยมันได้นี่ใจก็พึ่งไว้ได้ไม่มั่นใจแล้วแต่มันจะให้เกิดทุกข์ก็ทุกข์ไปกิดใจเรามันคิดกันมาก็ทุกข์ไปกวบความคิดได้ได้เหมือนหลงอะไรก็เอาไปทุกข์ได้ตาเห็นรูปก็พอใจไม่พอใจไปอย่างนั้น ถ้าผู้ฝึกตนเห็นรูปต่เห็นรูปก็เห็นไม่ใช่ไหมพอใจไม่ไม่ใช่ไม่พอใจอยู่กลางๆไม่เป็นไรกับภาวะที่เห็นเห็นแจ้งตามความจริงเช่นเขาอสอนคนขอไม่เข้าใจ ก็ไม่จาเป็นเลยต้องไปจำอะไรก็เรียกว่าเราพยายามที่จะพูดบอกอยู่ถ้าพูดเขาก็ไม่เข้าใจเขาพยายามที่จะบอกอจนตายนั่นแหละว่าความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงจะขอพูดเรื่องนี้ควมทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงจะพูดเรื่องนี้ไปจนตาย ก็อยู่ที่ไหนก็จะบอกอย่างนี้นจะพูดอย่างนี้แนวไขใครก็หลงเป็นในชาติในโลกนี้ก็โกรธเป็นทุกข์เป็นเหมัอนกันหมดอ่านก็ไม่หลงกมไม่โกรธก็มทุกข์เหมือนกันหมดทำได้ทุกคนหวานกันโดยจึงเป็นงานของเราที่จะต้องทำวันนี้วันจะชุ่มค่ากับข้าวสุกน้บแจ้งของญาติของโยม ถ้าเราไม่บอกอยางนี้ไม่รั่วเราจะมีชีวิตเพื่ออะไรกันนอกจากเราบอกคนเดินเราก็พยายามบอกตัวเองอยู่เสมอเราพูดกต่างรเราก็ทําได้เช่นนั้นเราเคยหลงเราเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเราก็ทําได้เราเคยทุกข์เราเปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์เราก็ทําได้มันต่างกันอยู่ทําไมเราจะไม่บอกกัน ถ้าหลงไปไกลไม่หลงเปไกลกลัวเป็นยังไงไม่กลัวเป็นยังไงทุกเป็นยังไงไม่ทุกเป็นยังไงเราก็สัมผัสดูแล้วว่าเลือกได้แล้วมาไล่ก็เป็นดีได้ทุกกรณีอย่างเนี้แต่ทไมไม่บอกกันล่ะเนี่ยปล่อยกันหลงปล่อยกันทุกปล่อยกันกลัทํามาไม่หลงก็ด้อยไม่ทุกก็ด้อยไม่กลัวก็ so ด้อยอย่างเนี id ้ย แต่ว่าเขาศึกษาเขาได้ยินเราฟังเราพูดเขาไปฟังเขาไปทำดูอ่อจะได้ผลอะไรบ้างเราลองคุยเราฟังแล้วก็ไม่รู้ไม่ขี้กับเขาเขาลู้เขาเองไม่ใช่เราเอาให้เขาได้ความหลงความไม่หลงเขาทำาเอง กลุมทุกกลว่มเขาทุกเ ข, ทกขาทำเองกลุ่มโกรธเขาไม่โกรธเขาทาเองนี่ก็ไปสอนธรรมะเหมืองจีนคนพูดจะบนีให้ฝังก็มีเราก็พูดบอกว่าเหมือนเกิดจากความหลงแน่อนอนเห็นแล้วกลุ่มหลงเกิดจากความคิดที่นี่อันตรายเห็นแล้ว เข้าใจแล้วเรื่องนี้เราก็เฉยเลือกแต่คนจะพูดมันหลงกับไม่หลงอะไรมันถูกต้องคนพูดตัวเองไม่ใช่เราให้ได้เขาบอกว่าขามั่นใจมั่นใจกับความคิดที่มันหลงคิดมันไม่หลงตรงนี้มันก็ไปกันไกลเขาบอกว่าอะไรก็ง่ายแล้ววันเนี้ยได้หลักวันแล้ว ได้หลักแล้วก็จากควาคิดที่มันหลงจากควาคิดแน่นอนเม่อตาเห็นรู้ก็คิดแล้วล่ะเลยรู้นั่นแหละมันก็คิดแล้วมันชอบมันไม่ชอบนั่นแหละวันนี้เขาได้หลักตอนนี้แล้วแล้วก็ยกมือไว่าแล้วว่าอีกนั่งโยก้มกราบแล้วกราบอีกถูกแล้วถูกแล้วก็ช่างเขาเราไม่สนาจเขาได้สมผัสิเอง ในเขาองตาไปในะข้างนี้ก็มีคนพูดหลายคนแล้วก็น่าจะบอกกันนม้เขาดิ้นทาเราอาจจะมีก็ใส่ใจเพื่อแก้ไขตัวเองอยู่เสมอเราไม่หลงเขานินทาเขาสรรเสริญเราไม่หลงทั้งสองอย่างแล้วก็พยายามที่ใส่ใจเพื่อจะแก้ไข นี่ใจใจฝังเรื่องอะไรเหมือ น, นกับเราส่องเงาในกระจกที่เขาเป็นสัททอนให้เราได้รู้ตัวเองก็มีประโยชน์ไม่ใช่โกลัวใช้เคืองเขาเวลาเขาเลียนทาเราแล้วก็มีหลักแบบนี้มันมีความถูกต้องโยนไปกลัวอะไรในโลกนี้มันทับได้มีความชื่ออย่างนน่ แยกในความเชื่อในธรรมในความถูกต้องไม่ต้องกลัวอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นมาไม่ต้องกลัวปัญหาถูกลຽลงสกจงอะไรก็ยิ่งกว่าโจรเข้าใส่มีสิ่งที่กับขังในจิตใจเราความรักของจัง ไม่เหลียวหลังร่งเราได้มีร้อง้อยไม่กลัวมันร่างเรามาอยู่เพราะเรารู้เนาะมีความเจกลว่านี่เป็นะไรมันเกิดการเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันเรา มันกันโลกมันลุยได้เนี่ย้าซื่เนี่ยก่อนเจก้าลาไกลเขาว่าละกระโดดสุดยอดเลยแล้วเจก้า่างเง้ยกระโดดสุดยอดกอดมองกดทมด้วยหาไทยด้วยใจที่ได้สัมผัส มันโมกหตามคือไม่เป็นอะไรกับอะไรจบเท่านี้ก็ได้ชีวิตเราเรามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เวลามันหลงไม่หลงก็โดดไปเวลามันโกรธไม่โกรธก็โดดไปจะเชื่อหรือไม่เชื่อให้สัมผัส ด, ดูนี่พระพูดพระพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปจบสอพอนี่พระพูดเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์อย่างนี้มันเปลี่ยนได้อยู่ แล้วมันโกรธไม่โกรธอย่างนี้มันเปลี่ยนได้อยู่เนะียได้ขันกะขังเราได้ไปที่ไหนก็ไปไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ยังโกรธอยู่ที่ไหนก็ยังโกรธยังทุกข์ยังหลงอยู่มันมีอะไรมากขนาดนั้นเลยไม่มีความหลงไม่จริงควมไม่หลงมันจริงนะความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงแล้วทำไมยังพูดเรื่องทุกข์เรื่องโกรธอันไม่เห็นทุกข์ตรงไหนสบายที่สุดแล้ว แม้แต่สบายก็อย่าไปติดมันเห็นมันอีกกันเลยอย่าหลงสุ ก, ก็ไม่หลงปฏิจจบก็ไม่ไม่ใช่เห็นอย่างเนี้ตัดีไปอย่างนี้ยมันจะตาก็เห็นนันไม่ใช่ตายพระความตายไม่ใช่ทุกข์ความทุกข์อยูนี้เลยว่าึกหัดตนสนตนปล ไม่ต้องกลัวอะไเาเป็นมิตเป็นเพื่อนกันแล้วก็มองอย่างมีจฉเพื่อนเออคนอื่นเขาไม่หลงเราโมหลงอยู่ทำไมคนอื่นเขาไม่ทุกข์เราโมาทุกข์อยู่ทำไมคนอื่นเขาไปโกรธกันแล้วมาโกรธอยู่ทำไมทำไมเราจึงมาถูกขังโซ่ตรงนี้แก่หกลากระมาก็โดดใส่มันเลย เจ็บัวดักหน่อยไม่ไม่น้องอมใจไปกับวันชวนก็เสือจักหน่อยให้หน้ามือเปิดหลางมาบางทีก็หักดิบเพ้อนองคุมารหักดิบตัวเองจะฆ่าคนได้ได้ทั้งพันคนใจจะฆ่าจะฆ่าคิดอยู่ ก็เห็นพระเจ้าพระเจ้าก็ไปโพดตัวพุทวารนะนี่แหละคนที่หนึ่งพันเหลือคนเดียวเท่านี้แหละเอาให้ละเอานี้ก็พอและ้ะพันหนึง่งก็จะเอาค่าให้ได้ค่านึ่งไล่ตามถือดาบวิ่งตามบปหยุดหยุดพเจ้าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วหยุดเลยมันวิ่งอยู่จำหน้าไหลโกหกหยุดเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุด เธอยังจับดาบไปฟันเราอยู่เราไม่ทําแล้วเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดต่างหาโกโอ้ที่มากใจเฉดดีกันหน่อยหยุดทันทีเลยหากดิบเลยเลยหยุดทันทีก็ทิ้งดาบออกแตกเบอร์เลยสลัดเลยเปียนก็หลังหลงคิดอยู่นี่เราทําะไ้ไปหยุดทันทีอันหยุ ด, ยดคิดนี่มันไม่ยากนะ ไม่ต้องอาศัยเครื่องทุนแรงเลยรเพื่ยุดเปลีป่ยนเป็นไม่คิดไม่หลงเพราะด้านเองก็กลายเป็นพระได้ทันทีแพลดเดียวลันนี้มือเดียวเฉอ ใ, ใจร้องให้แต่ตกกรรมติดตามอยู่อยู่ที่ไหนก็คิดถึงการฆ่าเศร้าใจเหมือนกับเขาทิ้งก้อน กวดิ้งก้อนใสก็หัวแตกอยู่เลยไหลเรื่อยลองให้เสมอเชียใจจนผู้ย้าไปโปรดเน่วโปรดดีองก์พมันยังเห็นภาพที่ถองทำไม่ดีเสียใจอยู่เป็นหลายหลายวันแต่เมื่เราคิดถึงพระติ้าคนเดียวก็เศร้าใจก็เลี่ยนได้กำลังใจขึ้นมา เหมือนกับบัตรมืออบบัตรมือมอหยุดแล้วหยุดแล้ววางแล้วอันนีก้ก็หลุดวางแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วมันก็ถูกต้องอย่างเนี้ยไปคิดอีกว่าน้าตาไหลหยุ ด, ยดอเ น, นี้ยเราลองให้เสียใจเพราะเรื่องควาคิดเรื่องอะไรหยุดสินะหยกมือช่วยได้กรรมฐาน <laughs> มันมีเครื่องมืออย่างนี้นะมันคิดไปกลับมานี่ อนะอย่าลืมซะพวกเราตาคิดถึงพวกเราไปสอนขอนกินก็คิดถึงพวกเราเสมอคิดถึงบรรยากาศที่นี่นะที่นั่นมันถ่าสร้างมาพันกว่าปีวัดะใหญ่โตวัดเราในสร้างมาก็ตีเป็นร้อยหลังสู้หลังหนึ่งของของไม่ได้ถ้าคิดเป็น ทุนก่อสร้างหลังแล้สี่สิบห้าสิบล้านจ้างมาพันกว่าปีเดินไปไหนกลางล้มเดินไปอยู่ที่เรามีป่าไม้เดินสบายสบายอันตาก็หิวบรรยากาศที่นี่ก็นั่งดูสะเล่นอยู่จา น, นั้นว่าจะมาทาวัดก็เพลินอยู่นั่งเล่นอยู่ มาดูแลก็ามันหุบมงครึ่งแล้วชะตาตัวอ่ามานีก็บรรยากาศดีกว่าวังกีนนะแสดงว่าไม่แพ้แสดงนี่อะาเราต้องหรืออันเดียวคือเปลี่ยนหลงเป็นรู้จังเหรอถ้าใครมีหลงอยู่เปลี่ยนเป็นรู้ถ้าใครมีทุกข์เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์ใครมีความโกรธอยู่เปลี่ยนความไม่โกรธนะ มีเท่านี้จริงๆนะไม่อ้อนวอนนะสาธุเดอ้อต้องเลี่ยนอย่างนะี้เอานำลงไปจริงๆนะให้สมหลวงตาคิดถึงพวกเรานะมาเห็นแต่รอยไม่ว่าจะเห็นกโกดไม่เห็น้างหลังเลยเห็นเต้นก็ไม่เห็นนะฮนะก็เท่านี้แหละวันนี้นะสองควั้เจอละ พระพ่องกัน